ชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งวันนี้ตรงกับวันที่สิบห้าเดือนสิงหาคมพศสองพันาร้อยห้าสิบแปดธรรมะวันหนึ่งคืนหนึ่งจะพูดเรื่องกำลังใจกำลังใจนี่ยสำคัญกับคนทุกคนนะ คนที่มีจิตใจที่อ่อนแอคนที่มีปัญหาหรือคนป่วยไข้แม้กระทั่งคนที่มีความผิดหวังยังมีหลายคนต้องการกำลังใจจะว่าไปแล้วเนี่ยทุกๆคนเนี่ยต้องการกำลังใจแต่งั้นแหละเนเพราะว่ากำลังใจในช่วยทำให้คนเราเนี่ย มีความหวังมีกําลังที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆได้ในโลกนี้อย่างเช่นตัวอย่างนะพระอาจารย์เผสารเคยมาเยี่ยมผมที่ชมรมเพื่อนคุณธรรมนะนี่ก็หลายครั้งนะสามสี่ครั้งแล้วในยุคที่ผมป่วยนะในระยะสุดท้าย ได้พอจะไปศาลท่านก็เมตตามาเยี่ยมคนไข้ที่เป็นระยะสุดท้ายผมก็เลยเห็นท่านมาเยี่ยมมาพูดมาคุยกับเราเราก็เลยถือโอกะฝากเนื้อฝากตัวเลยเพราะว่า <c oughs> ท่านเคยดูแลหลวงพ่อมาบางทีเรามีปัญหาอะไรต่างๆเราก็อยากจะถาม เดี๋ยวเาเรื่องการดูแลตัวเองหรือการวางจิตวางใจอย่างไรในฐานะที่พระกุณเจ้าทั้งสองรูปมีเคยอยู่ใกล้หลวงพ่อกำกิจมาก่อนเราก็ได้กำลังใจจากท่านนะเรามีปัญหาอะไรถามทา่านกนให้คนนำแนะนำเรื่องเกี่ยวกับอาหารการใช้ชีวิตต่างๆเราก็ จำเอามาใช้กับตัวเราแล้วก็ยังมีอีกหลายรูปหลาองค์ที่มาเยี่ยมเยียน ม, มาให้กำลังใจให้เรามีชื่อจูไปนานๆเรามีพระอาจารย์ขันชิตพระอาจารย์ขันชิดนี่เวลาผ่านมาเ็าจะแวะเวียน ม, มาเยี่ยมหาทางมาเยี่ยมเสมอเสมอาท่านผ่านมาถ้าจะรู้ข่าวว่าเราอยู่ที่ไหนท่านก็จะเข้ามาเยี่ยม เวลาท่านมาเยี่ยมเราเราก็จะบอกท่านว่าเนะพระคุณเจ้าตอนนี้มันยังไม่ถึงคิวพระคุณเจ้านะยังไม่ถึงคิวพระจาจ้ากันชิตนะพระเจ้ากันชิตนี่มีความสามารถในการส่งดวงวิญญาณของคณที่มีจิตสุดท้ายที่จะดับไปเนาะวลานี้ยังไม่ถึงเวลาพระคุณเจ้า เอาไว้ตอนที่สุดท้ายพระคุณเจ้าค่อยมาใหม่ได้ไหมเนี่ยแล้วก็คุยกันไดงกับยิ้มเราก็ได้กำลังใจเนี่ยมีพระคุณเจ้ามาเยี่ยมมีญาติทรรใหาเยี่ยมเราก็ไม่ได้ทำอะไรเราก็ได้กำลังใจจากที่มาเยี่ยมเยี่ยมมาพูดคุยมาแสดงความคิดอนรต่างมันก็มีประโยชน์สาหรับเรา เพราะนั้นกำลังใจ เ, เรายิ่งให้ยิ่งได้ให้มากได้มากนะว่าสําคัญมากนะสิ่งนี้ยิ่งให้ยิ่งได้เนี่ยก็คือกําลังใจเนี่ยนะโดยเฉพาะเรื่องการให้กําลังใจตัวเองเนี่ยถือว่าสําคัญมากนะตัวเองนี่ทุกๆคนเนี่ยตัวเราเองอย่างนี้แหละเราก็ต้องการกําลังใจ บางทีเราไปรอกาลังใจจากคนอื่นบางทีมันไม่ถูกตรงไม่ตรงกับกําลังใจที่เราต้องการจะได้เราต้องฝึกเตี้ยให้กําลังใจตัวเองอืจนเวลาที่เราผิดหวังเราก็อาจจะให้กําลังใจตัวเองว่าไม่เป็นไรเรายังมีโอกาสอีกเา่าจะมีโอกาสอีกนะเพียงแค่นี้เราก็มีกําลังใจแล้ว เวลาผ ม, มเกิดปัญหาคิดอะไรไม่ออกเราก็บอกไม่เป็นไรหรอกปัญหามันย่อมมีทางแก้ไขเสมอถ้าไม่มีทางแก้ไขไม่ใช่ปัญหาหรอกปัญหาต้องมีทางออกเราก็ให้กาลังใจตัวเองได้อย่างนี้นเช่นเวลาผมป่วยไขอันระยะสุดท้ายนี่คุณหมอกอม็หมดหวังที่จะรักษาเราเนะ หมดหวังในการรักษาให้เราหายได้เราก็ไม่เป็นไรนะเราก็ให้กำลังใจได้แม้เราใจหมดหวังที่จะรักษาโรคให้หายแต่เราก็ยังมีหวังที่จะตายให้ดีได้ <c oughs> เนี่ยแค่ น, นี้เราคิดอยางีงเราก็ได้กำลังใจตัวเองแม้จะหมดหวังเรื่องการรักษาโรคแต่เราก็ยังมีหวังที่จะตายดีได้ เ, เพียงคิดแค่นียเราก็เกิดกำลังใจเพราะฉะนั้นญาที่รรมกำลังใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากเลยกำลังใจยิ่งให้ยิ่งได้ให้กำลังใจก็ย่อมได้กำลังใจ